2. จิตตะวิปลาดจิตคลาดเคลื่อนความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง 3. ทิฏฐิวิปลาดทิฏฐิคลาดเคลื่อนความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริงสัญญาวิปลาดหมายรู้คลาดเคลื่อนเช่น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 ในบางคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่มีในคนทั่วไปแทบทั้งหมดยังไม่รู้ตัวคนทั้งหลายตกอยู่ใต้อิทธิพลครอบงำของมันและวิปราสทั้งสามชนิดนั้นจะสอดคล้องประสานกันเป็นชุดเดียววิปราสขั้นละเอียดหรือขั้นพื้นฐานนั้นพึงเห็นตามบาลีดังนี้ภิกษุทั้งหลาย สัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสมีสอย่างดังนี้ส่อย่างอะไรบ้างกล่าวคือ 1. สัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. สัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข สสัญญาวิปลาชจิตตาวิปลาชทิฏฐิวิปลาชในสิ่งมิใช่ตัวตนว่าตัวตนและสี่สัญญาวิปลาชจิตตาวิปลาชทิฏฐิวิปลาชในสิ่งที่ไม่งามว่างามคำว่าวิปลาชบาลีคือวิปลาสะ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 การใช้โยนิโสมนัสิการแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยและแยกยะองค์ประกอบตรวจดูสภาวะโดยมีสติพรั่งพร้อมอยู่